วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย5สิบห้าตุลาคมพุทธศักราช2568ัน้าเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมากับการารับทราบข่าวของการจากไป ของบุคคลที่เรามีความรักมีความเคารพคือการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมร า, าชชนนี พ, พัน์ปีหลวงที่เป็นที่รักและเคารพของคนไทยทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง นามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของพ่อองค์ท่านแต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ได้บรรลุ มีดวงตาเห็นธ ร, รมหคือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมดา เรื่องของธรรมชาติสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและดับไปคืออะไรก็คือร่างกายนี่เองร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการดับไปในที่สุด เวลาร่างกายถึงแก่ความตายธาตุทั้งสี่ก็จะค่อยแยกออกจากกันธาตุแรกที่ออกจากร่างกายก็คือธาตุลมธาตุที่สองที่ตามไปก็คือธาตุไฟร่างกายก็จะเย็นธาตุที่สามก็คือธาตุน้ําแล้วก็เหลือแต่ธาตุดิน นี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเกิดมาสูงมาต่ำมารวยมาจนมาดีหรือมาชั่วร่างกายของทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดา แต่อีกส่วนหนึ่งที่ของชีวิตที่มาเกิดกับร่างกายคือมาครอบครองร่างกายนี้คือจิตใจจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่เกิดและไม่ดับการมาเกิดของจิตใจก็คือการมาครอบครองร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือพาจิตใจให้ไปทำอะไรต่างๆที่จิตใจต้องการจะทำพอร่างกายถึงแก่ความตายจิตใจก็ต้องแยกตัวเองออกจากร่างกายแล้วก็อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณแล้วก็จะไป หาพบใหม่หาที่อยู่ใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นการตายของร่างกายนี้เป็นการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยของจิตใจหรือของดวงวิญญาณตามกฎแห่งกรรมตามบุญตามบาปที่ได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้าได้ทำบุญมากกว่าบาปจิตใจก็จะไปได้บ้านที่ดีที่เรียกว่าสุคติจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยเจ้าชั้นนิพพานถ้าได้สะสมบุญกุศลได้ถึงพร้อม ได้ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องมีก็จะได้ย้ายบ้านไปสู่บ้านที่ดีแต่ถ้าได้ทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะเป็นผู้ที่พาให้ไปอยู่บ้านที่ไม่ดีไปอยู่ในคุกตารางไปอยู่ไปเป็นเดลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นอสืรและกายบ้างไปนรกบ้างนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปหรือดับไปสิ่งที่ไม่ดับคือจิตใจที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณแล้วก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไป แล้วหลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอบุญหรือบาปที่ได้ส่งไปนั้นหมดกำลังลงจิตใจหรือดวงวิญญาณดวงนั้นก็จะมาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตาย มาสร้างบุญสร้างบาปอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะตายพอตายแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบในการมาพบในรูปพบหรืออรูปพบการมาพบก็เป็นพบที่อยู่ของ ผู้ที่เสพกามเช่นเทวดาเช่นมนุษย์เช่นเดรัชานเช่นเปรตอสุรกายและนรกดวงวิญญาณเหล่านี้เป็นดวงวิญญาณที่เสพกามก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเดรัชานบ้างเป็นเปตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกบ้าง ตามอำนาจของบุญอำนาจของบาปที่ได้กระทำเอาไว้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการมาพบไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลที่สูงกว่าคือได้ปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาบำเพ็ญจิตใจให้สงบให้เป็นฌานเป็นรูปเป็นรูปฌานหรืออรูปฌปาน ดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพถ้าได้รูปฌานก็จะไปเกิดในรูปภพถ้าได้อรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพแล้วหลังจากที่ฌานเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดต่างกันกันกบผู้ที่เสพกาม ผู้ที่เสพการเมืม่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมุ่งไปสู่การเสพกามต่อไปไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆส่วนผู้ที่ได้รูปประชานหรือรูปประชานผู้ที่ลงมาจากรูปประภพหรืออรู ป, ประภพก็จะมาก็จะมาเสพรูปประชานหรืออรูปประชาน เพื่อจะมาเป็นนักบวชกันเป็นส่วนใหญ่เพราะรู้เพราะเห็นว่าความสุขจากการเสบรูปฌปานหรือรูปฌปานนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสบกามคุณห้าหรือรูปเสียงกลิ่นลดในโลกของมนุษย์นี้เราจึงมีมนุษย์ที่มีความชอบหรือการกระทาที่ต่างกัน มีพวกที่ชอบเป็นคารวาสผู้คลองเรือนชอบที่จะเสพกามชอบที่จะมีสามีชอบที่จะมีภรรยาชอบที่จะหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเพราะว่าในจิตใจของผู้ที่มาเกิดในกามะพบนี้มีกามตันหามีความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรส ปฎิภาวะนี้เองจึงทำให้ต้องมาเกิดในกามะพบจะไปเกิดสูงกว่าไม่ได้จะไปเกิดพบที่สูงกว่าเทวดาไม่ได้ถ้าอยากจะไปเกิดพบที่สูงกว่าเทวดาต้องมาปฏิบัติธรรมมาเจริญ ส, ม, ส ม, มถะภาวนาเพื่อให้เกิดกรูปฌานขึ้นมา หรืออรูปฌานขึ้นมาถึงจะได้ไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพได้ไปสัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกลารภพแล้วก็มีบุคคลอนกกลุ่มหนึ่งที่เป็นบุคคลที่สนใจในการยุติการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะมาศึกษาทำเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุท์ธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงได้บุคคลเหล่านี้หลังจากที่ได้ทำบุญทำทานได้สวรรค์ชั้นเทพแล้ว ก็จะมุ่งไปสู่สวรรค์ชั้นพรมด้วยการไปเจริญส ม, มถะภาวนาเจริญสติเพื่อให้จิตใจได้รูปฌปานหรืออรูปฌปานแล้วหลังจากได้รูปฌปานเลือมไดอรูปฌปานแล้วคือได้สมาธิแล้วก็จะไปสู่การเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาต่อไป บุกคลเหล่านี้ก็จะอาศัยคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เห็นว่าพบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการมาพบก็ดีรูประพบก็ดีอรูประพบก็ดีล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันต้องเสื่อมมันต้องมีวันหมดเช่น mm hmm. มาเกิดในการมาพบมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา mm hmm. ที่มีความสุขมาก เป็นเศรษฐีเป็นอะไรต่างๆแต่ก็เป็นเป็นได้ชั่วคราวเพราะอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนันตตามาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตมาเกิดมาร่บมารวยในที่สุดก็ต้องตายไปไปเกิดเป็นเทวดาในที่สุดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไอก็อยังจะต้องเจอกับความทุกเวลาที่จะต้อง สูญเสียเวลาที่จะต้องตายจากการเป็นมนุษย์ก็ดีเวลาที่เสื่อมจากการเป็นเทวดาก็ดีจิตก็จะต้องสัมผัสกับความทุกข์เช่นเดียวกับผู้ที่ได้สุได้รูปปัจานหรืออรูปประชานรูปปัจจานก็ต้องเสื่อมอรูปประชานก็ต้องเสื่อมเวลาอยู่ในฌานก็จะมีความสุขแต่พอออกจากฌานมาพอฌานเสื่อมไป ความสุขที่ได้จากรูกประชานหรือรูกประชานก็หมดไปก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของความเสื่อมของรูกประชานหรือของอารูปประชานถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ของของความเสื่อมของรูกประชานหรือรูกประชานก็ต้องละการเสพรูกประชานหรืออารูปประชานละการเสพกามกุลห้าถึงจะสามารถที่จะ ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานได้อรนิพพานนี้เป็นที่มีความสุขเป็นจุดที่สูงสุด ข, ของความสุขของจิตใจที่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยการชำระความอยากทั้งหลายความอยากในการเสพการความอยากในการเสพรูปประชานความอยากในการเสพอารูปประชาน อความอยากเหล่านี้ได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาคือเห็นว่าเป็นตายลักเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเห็นว่าถ้าไปอยากจะให้ไม่เสื่อมก็จะต้องเที่ยกับความทุกข์ใจเ <c oughs> พราะว่าไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราได้ทุก การมาพบไม่ใช่ไม่ใช่ของเรารูปพบไม่ใช่ของเราอารูปพบไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ให้อยู่กับเรา <c oughs> เป็นสมบัติของเราไปได้อย่างตลอด <c oughs> วันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียการมาพบไปสูญเสียรูปพบไปเสียอรูปพบไป <c oughs> พอเห็นด้วยปัญญาว่าพบทั้งสามนี่เป็นทุกข เพราะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกขังอนัตตาก็หยุดการอยากอยากได้ความสุขจากกรรมคนห้าความสุขจากรูปฌานและความสุขจากอรูปฌานถ้าละความอยากทั้งสามนี้ได้ใจก็จะเข้าสูพ่พระนิพพานเข้าสู่จุดที่มีแต่บรล ม, มังก์ม จุดที่ปราศ จ, จากความอยากต่างๆความอยากนี้เป็นเหตุที่พาให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในในตายพบในการมาพบถ้าจะมีความอยากเสพกามก็ไปเกิดในการมาพบมีความอยากจะเสบรูปประชานก็ไปเกิดในรูปรูปภพมีความอยากจะเสบรูปประชานก็จะไปเกิดในอรูปอรูปภพพอไม่มีความอยากทั้งสามนี้ ใจก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานแทนอานิพพานก็เป็นที่มีความสุขที่เรียกว่าบรลมสุขนิบานังปรมังสุขขังคือเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของตายรับเป็นความสุขยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือพบชาติต่างๆ ของดวงจิตดวงใจหรือของดวงวิญญาณที่จะไปกันขึ้นอยู่กับผู้ที่จะไปว่ารู้หรือเปล่ลปาว่าจะไปพบไหนชาติไหนแห่งใดถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางคนก็คิดว่าตายแล้วศูนย์ร่างกายตายไปแล้ว ทุกอย่างก็สิ้นสุดลงคือไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปไม่มีใครไปสวรรค์ไม่มีใครไปนรกไม่มีใครไปเกิดใหม่เพราะเห็นว่าชีวิตมีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวเมื่อร่างกายเห็นร่างกายทําบุญทําบาป<ม>เห็นร่างกายปฏิบัติธรรมก็คิดว่าร่างกายนี้จะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปผลของการปฏิบัติธรรม แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่กระทาร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทาผู้กระทาบุญผู้กระทาบาปผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่เราเรียกว่าจิตใจเป็นธาตุรู้ส่วนร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิด มีอาการสามสิบสองทำมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปแต่อย่างใดผู้ที่จะผู้ที่ทำบุญทำบาปผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คือจิตใจแต่จิตใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างหน้าตา ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเวลาเราใช้ร่างกายดูอะไรเราก็จะเห็นแต่ร่างกายของของของคนเท่านั้นเองแต่เราจะไม่เห็นจิตใจของคนแล้วก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นกับจิตใจเป็นคนคนเดียวกันอยู่ด้วยกันถ้าร่างกายตายไปความรู้สึกนึกคิดต่างๆคือจิตใจก็จะต้องตายไปด้วย เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องการไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเชื่อว่าเป็นตายแล้วสูงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะไม่กลัวบาปแล้วก็จะไม่อยากจะทำบุญเพราะการทำบุญนี้ต้องเสียของเสียของที่รักไปเช่นข้าวของเงินทองต่างๆทุกคน ก็อยากจะได้ข้าวของเงินทองเพราะข้าวของเงินทองนี้เป็นเครื่องมือที่จะนำไปใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าเชื่อว่าตายแล้วสูญก็จะไปทำบุญให้เสียเวลาทำไมตายแล้วไม่มีผลตามมาไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดพรนี้ชาตินี้เป็นพบเดียวชาติเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องเอากำไรให้เต็มที่ด้วยการเสพการมอย่างเต็มที่ด้วยการหาเงินหาทองมาเพื่อการเสพการมเพียงอย่างเดียวไม่เคยคิดจะเอาเงินทองไปทำบุญทำอะไรเลยเพราะไม่เชื่อเรื่องผลของบุญที่ยะตา ม, มานั้นไม่ไม่มีเพราะไม่รู้ว่าใครไปรับผลบุญเห็นใีแต่ร่างกายผู้ทำบุญ ก็คิดว่าร่างกายเป็นผู้ไปรับผลบุญเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญเพราะฉะนั้นทำบุญให้เสียเวลาทำไมทำบาปดีกว่าทำบาแล้าจะได้เงินมาง่ายๆได้สิ่งที่เราอยากได้มาง่ายๆเพราะเมื่อทาบาปแล้วเวลาตายไปก็ไม่ต้องรับไปรับผลบาปจะรับก็เพียงแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองถ้าทำบาปก็อาจจะถูก เขาไปจับไปติดคุกติดตารางก็ได้แต่ถ้ามีเงินมากๆบางทีก็สามารถซื้อเจ้าหน้าที่ได้ซื้อเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับไปลงโทษได้เมื่อซื้อเขาได้เขาก็จะตัดสินว่าไม่ต้องไม่ผิดไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้<ม>ก็เลยไม่กลัวบาปกันถ้าตราบใดาถ้ามีเงินเยอะๆคิดว่าการมีเงินนี้จะสามารถที่จะกําจัดป้องกัน ไม่ให้ต้องไปรับโทษของการกระทำบาปได้ <Yeah. S 1> ถ้าสังคมเรามีคนที่มีความเห็นแบบนี้มากๆสังคมเราจะเป็นสังคมที่วุ่นวายมาก <Yeah. S 2> สังคมที่เดือดร้อนมากเ mm hmm. พราะทุกคนก็จะเอาหาความสุขให้กับตัวเองหาเงินหาทองให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆทั้งวิธีการที่ไม่ทําบาปทั้งวิธีการที่ทําบาป mm hmm. ถ้าหามาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะไปหาโดยวิธีทำบาปกันเพราะการหาโดยวิธีทำบาปนี่มันง่ายมันได้ง่ายได้เร็วได้มากมกว่าการหาโดยวิธีไม่ทำบาปต่อไปสังคมนี้จะวุ่นวายมากขึ้นทุกข์มากขึ้นถ้าไม่เข้าหาศาสนาถ้าไม่เชื่อคำสัง่งคำสอนของศาสนา ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงผู้ที่ทำบาปทำบุญนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทำบุญทำบาปที่แท้จริงคือใจผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำเหมือนกับเวลาที่เราเอาปืนไปยิงคนตายนี่คนที่จะไปถูกลงโทษไม่ใช่ปืนปืนเข้าไม่จับไปลงโทษ เพราะเขารู้ว่าปืนเป็นเพียงแต่เครื่องมือทั้นเองเขาจะจับคนที่ใช้ปืนนี้ไปลงโทษฉะนั้นใร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนปืนส่วนจิตใจนี้เป็นผู้ที่ใช้ปืนผู้ที่จะทำบาปผู้ที่จะใช้ร่างกายไปทาบาปก็คือจิตใจกฎแห่งกรรมเขารู้<ม>เขาจะแยกเยะกฎแห่งกรรมเขาจะไม่เอาโทษร่างกายร่างกายตายไป ก็กลับคืนสู่ดินน้านมไฟไปแต่ใจนี่เขากดแห่งกรรมรู้กดแห่งกรรมนี่แหละเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นทั้งเป็นทั้งอายการเป็นทั้งศาลพิพากษาทุกอย่างอยู่ในกดแห่งกรรมหมดหนีกดแห่งกรรมไม่ได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่ามีกดแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่าตายแล้ว ต, วต้องไปรับผลบุญผลแบบต่อไป กดแห่งกรรมก็ไม่สนใจเมื่อถึงเวลากฎแห่งกรรมก็จะมาจัดการกับดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วกฎแห่งกรรมก็จะรู้ว่าโทษของโทษเลืคุณของผู้ที่ได้กระทําบุญหรือทำบาปนี้มีมากน้อยอย่างไรท่านถึงบอกว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้จําแนกแยกสัตว์ให้เป็นต่างๆแยกให้เป็นเดรัจฉานให้เป็นอสุรกายให้เป็นเปรตให้เป็นนรก แยกให้เป็นมนุษย์แยกให้เป็นเทวดาแยกให้เป็นพรหมแยกให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพบเหล่านี้ชาติเหล่านี้หรือสัตว์เหล่านี้ถูกแยกด้วยกฎแห่งกรรมกรรมนี้เป็นผู้จําแนกแยกสัตว์ให้เป็นต่างๆนี่คือความจริงที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโนเป็นธรรมที่ ต, ตถาคตตัดไว้ชอบนะ้ ถ้าเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เลือกพบชาติที่ตัวเองต้องการได้เลือกจุดที่จะไปต่อไปได้อตอนนี้เราเลือกได้เรายังทาได้อยู่ อ, อยากไปนิพพานเรายังไปได้อยู่ อ, อยากไปนิพพานก็ให้ทำบุญทำทานให้มากให้เก็บเงินไว้เท่าที่จำเป็นไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เงินที่เหลือกินเหลือใช้อย่าไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรถเอาไปทำทบุญทำทานให้หมดแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปได้ศีลห้าแล้วก็ไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถาภาวนานั่งสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้หลังจากนั้นพ อ, อ, อจากฌานก็มาเจริญวิปัสสนาภาวนาให้เห็นตายลัก หเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาในกามประพบในรูประพบและอรูประพบก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ในภพนีิชาตินี้เราสามารถเลือกภพชาติต่างๆได้ด้วยการกระทําของเรานี่เองการกระทาก็คือกฎแห่งกรรมนี่องการกระทําก็คือกรรมนี่องกรรมที่จะจําแนกแยกให้เราไปเป็นอะไรต่างๆไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นพรหมก็ได้ ไปเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสะกิรดาคามีก็ได้พระอนาคามีก็ได้พระอาหารหันต์ก็ได้ไปพระนิพพานก็ได้<ม>ขึ้นอยู่กับการกระทําของเรา<ม>ซึ่งเราโชคดี<ม>เรามีแผนที่มีผู้บอกทางมีผู้บอกการกระทําต่างๆว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อะไรทําบาปแล้วก็จะต้องไปอบายทําบุญก็ไปสวรรค์ไปปฏิบัติธรรม ภาวนาก็จะไปพรมโลกไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้สิ้นสุดลงไม่มีร่างกายของใครไม่สิ้นสุดลงจะรวยจะจนจะสูงจะต่ำะจะชัรวลาหรือจะง้ ก, ก็าตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงวาระสิ้นสุดลงเป็นธรรมดา จิตใจของแต่ละคนนี้ไปกันต่างทิศ ต, ต่างทางกันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทาว่าทากรรมแบบไหนกันเท่านั้นเองนี่แหละคือเรื่องของการตายของการพัดภาคจากกันของการออกจากโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าจะต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะรู้ว่าเป็นการโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัย ย้ายบ้านกันบ้านจากบ้านมนุษย์ไปสู่บ้านเทวดาหรือบ้านของเดรัฉานก็แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปที่ได้ทำกันมาฉะนั้นถ้าไม่อยากจะไปอยู่บ้านของเดรัชานบ้านของเปรตบ้านของอสุรกายบ้านของนรกก็อย่าทำบาปเท่านั้นเองรักษาศีลให้ดีแล้วถ้าอยากไปอยู่บ้านของเทวดาก็ทำบุญให้มากๆ ถ้าอยากจะไปอยู่บ้านของผมก็ไปนั่งสมาธิให้มากถ้าอยากจะไปบ้านของพระอริยเจ้าก็ไปเจริญวิปษษัสนาพิจารณาตายลักให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นตายลักให้หมดหเห็นว่าเป็นทุกข์จะได้ไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปอันนี้เสียงเครื่องบินดังน่อยเดี๋ยวรอให้เสียงผ่านไปก่อนนี่ก็คือเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน พอเรามีทั้งน่างกายมีทั้งจิตใจน่างกายของพวกเราก็จะกลับคืนสูด่ดินน้ำลมไฟไปจิตใจของพวกเราก็จะไปตามบุญตามบาปไปก็มีเท่านั้นและไม่มีใครทําให้เราได้เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองไม่มีใครส่งเราไปสวรรค์ส่งเราไปนรกได้ไม่มีใครส่งเราไปนิพพานได้เราต้องเป็นผู้ส่งตัวเราเองไปตามจุดต่างๆด้วยการกระทําของเราเท่านั้นเอง ถ้าเราทาตามที่พระเจ้าทรงสอนคือรักษาศีลทำบุญทำทานรักษาศีนลนภภาวนาเราก็จะไปสู่จุดดีๆตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปตามลำดับไปจนถึงสวรร์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของบุคคลที่เรารักเราเคารพ ก็ขอให้พวกเรามาร่วมกันถวายพระราชกูุนทให้กับดวงวิญญาณของท่านด้วยการบำเพ็ญทําบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพื่อให้พระองค์ท่านได้ไปสู่สุคติต่อไปตามลำดับและตอนนี้เวลาของการแสดงธรรมก็จะได้สิ้นสุดลงแล้วหลังไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญส ม, มะถะภาวนามานั่งสบาธิเพื่อให้ได้ฌานขั้นต่าง ให้รูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีการที่จะทําใจให้เราได้ฌานให้อยู่ความนิ่งให้ให้นิ่งเฉยเฉยได้เราจําเป็นจะต้องมีสติคือการระลึกรู้คอยควบคุมใจให้ผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบให้นิ่งเป็นฌานนี่เรียกว่ากรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง การดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งการสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งที่เราสามารถใช้มากำกับใจให้สงบให้นิ่งได้แล้วแต่ว่าอันไหนจะเหมาะกับจิตใจในเวลาที่เรามาภาวนากันถ้ามาภาวนาแล้วจิตใจยังคิดมากอยู่ยังฟุ้งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ไม่สามารถบริกรรมพุทธโธได้ไม่สามารถดูลมหายใจได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจอย่าออกเสียงจะได้ไม่ไปรบกวนใครนั่งในท่าสมาธินั่งหลับตาแล้วก็สวดไปพอสวดไปจนทางรู้สึกว่าความคิดต่างๆเริ่มเบาลงสามารถมาบริกรรมพุทธโธได้ก็มาบริกรรมพุทธโธต่อหรือสามารถดูลมหายใจได้ก็มาดูลมหายใจต่อ ให้อยู่กับกรรมฐ า, านไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเวลานั่งแล้วมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจจะมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามเสียงมีความคิดเข้ามาก็อย่าไปตามความคิดมีรูปมีอะไรมีแสงมีอะไรปรากฏก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาที่กรรมฐ า, านของเราเพราะถ้าเราไม่มีกรรมฐ า, านนี่เราจะไปเข้าสู่ ฌานขั้นต่างๆไม่ได้เข้าสู่สมาธิไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราจะเดินทางจากที่นี่ไปบ้านเนี่ยเราต้องนั่งอยู่ในรถถ้าเราไปจอดแวะตรงไหนแล้วออกจากรถแล้วไม่ขึ้นรถนี่เราก็จะไปไม่ถึงบ้านเราต้องอยู่ในรถขับรถไปนั่งนั่งรถไปขับเองก็ดีหรือมีคนอื่นขับให้ก็ดีแต่เราต้องอยู่ในรถ โดยการรถจะไปถึงบ้านเราถึงจะออกจากรถได้กรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนรถที่เราจะนั่งกันไปสู่สมาธิสู่ฌานขั้นต่างๆอย่ากจิงกรรมฐานให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวมีอะไรมาดอกมาล่อาอย่าไปตามรู้ไปตามเห็นให้รู้อยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือรู้อยู่กับ ก, บการสวดมนต์ก็ดีแล้วแต่ กรรมฐานอันไหนเหมาะกับเราในเวลานั้นเราก็ใช้กรรมฐาน น, นั้นไปแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาจะเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่มาสะจรรใจและอุเบกขาคือการวางเฉยถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาจิตใจไปรับรับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ ดีก็ดีเรื่องราวที่ไม่ดีก็ดีใจจะไม่รู้สึกหวั่นไหวแต่อย่างใดจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือวิธีของการรักษาใจไม่ให้เกิดความทุกข์ก็คือให้อยู่ในโอเบขานี้เองต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ2ี่สบหนาทีด้วยกัน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 มเมอนเจริญพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล่ว่าเราจะทำอะไรให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุระปาริปเรนติสากบัง เอวเมวะอิโตจินัเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุลหังชิะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังปาจันโทปนาราสยธาณิโชติราสุยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันดราโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนวีลิลสานิจจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวันุสุขังภาลาัุ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 เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ269ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์326 YouTube Dr V 30วิทยุออนไลน์7คลับ House 2นากุติ146รวมทั้งหมด780ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ คุณพ่อของเพื่อนเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณหมอจึงแนะนำให้ย่าดูแลยอย่างใกล้ชิดอย่าให้ยุงหรือมแมลงกัดเพราะจะทำให้เกิดบาดแผลติดเชื้อได้เพื่อนจึงต้องทำการใช้ไม้ตีหรือใช้น้ำยาราดพื้นเพื่อกันจัดมแมลงเพื่อคุณพ่อจะได้ไม่มีแผลการกระทำดังกล่าวจะเป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าค่าเขาก็บาปไม่ว่าจะว่าด้วยเหตุผลนันใดก็ตามทางที่ดีหาวิธีป้องกันอย่าให้มันเข้ามาดีกว่า คำถามข้อที่สองค่ะขณะที่กำลังภาวนาจะมีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาทำให้ไม่มีสมาธิและรู้สึกจิตไม่สงบจะมีวิธีการอย่างไรให้ใจสงบขณะภาวนาคะเราต้องเจริญสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งถ้าสติน้อยนี่มันก็จะไม่สามารถผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ต้องฝึกสติบ่อยๆก่อนที่จะมานั่งเช่นบริกรรมพุทโธในใจไปเรื่อยๆ และพอเวลามานั่งก็สามารถที่จะอยู่กับพุโทโธได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะระหว่างเดินในชีวิตประจำวันหรือเดินจงกรมใช้วิธีดูเท้ากระทบพื้นส่วนขณะนั่งหรือยืนเฉยๆหรือทำงานบ้านใช้พุโทโธสองแบบนี้สลับด้วยกันไปได้ไหมคะได้แล้วแต่วิธีไหนที่จะทำให้ใจเราไม่คิดก็ใช้ได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะอยากถามว่าปีนี้วันมุทิตาจิตงดถวายเค้กใช่ไหมคะไม่รู้เนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราการจะถวายไม่ถวายไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่หมดแล้วเลยยังไม่มีคำถามใหมค่ค่ะไปภาวนาดีกว่าอย่าไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องถวายคกถวายเคก้กกันเลยนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบดีกว่าได้บุญเยอะกว่าเรื่องกินนี่มันเป็นเรื่องอะไรก็ได้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปให้มันอิ่มท้องก็พอไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ถ้าอยู่เพื่อกินก็ฝันถึงนู่นฝันถึงนี่ฝันถึงไอ้นั่นฝันถึงไนี่แล้วพอไม่ได้กินตามฝันก็เสียใจกินเม่อร่อยไม่อิ่มไงแ้า ถ้าได้ถูกใจก็กินมากเกินไปเดี๋ยวก็น้ําหนักก็เกินอีกนพราะเรื่องกินถ้าไม่ระวังนี่มันจะกลายเป็นปัญหาได้ยินน้อยก็เป็นปัญหากินมากก็เป็นปัญหา mm hmm. แต่ถ้ายินดีตามมีตามเกิดแล้ว mm hmm. พอกินให้มันอิ่มก็พอพอดับความหิวพอกินแล้วรู้สึกไม่หิวแล้วก็หยุดกินอย่าไปกินยิ่งกระทั่งมันอิ่มพอรู้สึกไม่หิวแล้วก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ําแทนให้มันอิ่มด้วยน้ําแทน อย่างนี้แล้ปัจกันร่างกายจะไม่มีปัญหาเรื่องน้าหนักเกินจะไม่เป็นโรคอ้วนจะไม่มีเบาหวานไม่มีอะไรมารบกวนใจคำถามจากทาง Facebook ค่ะสาเหตุของความกลัวมาจากอะไรคะก็หลายสาเหตุด้วยกันโดยหลักก็คือความกลัวตายก็เกิดจากความอยากอ ย, กอยู่นั่นเองทุกคนอยากจะอยู่ไม่มีใครอยากจะตายก็เลยกลัวความตาย ทุกคนอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กลัวความแก่อยู่ที่ความอยากความอยากทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้ายอมรับความจริงหน้าว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายพอกลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดี คำถามจากทาง u ู u ูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาภาวนาลมหายใจละเอียดแล้วควรจะปล่อยพุโทโธหรือภาวนาพุโทโธต่อครับเหมือนภาวนาพุโทโธต่อแล้วรู้ลมแล้วลมหยาบขึ้นค่ะถ้าเราใช้สองอย่างก็เปลี่ยนมาดูลมอย่างเดียวก็พอคำถามจากทาง u ู u ูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ เวลานึกถึงผู้มีพระคุณเช่นคุณแม่อายุ85ท่านก็ยังอยู่แต่เห็นท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราสงสารน้ำตาไหลบ่อยเพราะเรายึดติดใช่ไหมครับควรแก้อย่างไรครับควรจะยอมรับความจริงว่าต้องแก่ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไม่ช้าก็เร็วคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะโลกทิพย์หมายถึงภพภูมของเปรตนรกและสวรรค์ใช่ไหมครับ ก็ภูมิที่ไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายของมนุษย์ด้วยเดรัจฉานก็ถือว่าเป็นโรกทิพย์ทั้งนั้นยังไม่มีคำถามมีใครอยากจะถามให้เชิญถามได้นะในช่วงนี้เพราะว่าเราไม่มีหลังใหม่นะเดี๋ยวเลิกเราจะมาขอถามทีหลังนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่สะดวกแต่อยากจะถามถามหน้าใหม่เลยจะได้ยินได้ฟังด้วยกันทั่วถึงกัน เราเป็นนัง่งเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเวลาที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ยกมือถามคุณครูเพื่อนๆที่อยู่ในห้องก็จะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ไปด้วยกันเป็นวิเป็นธรรมทานไปในตัวการถามคำถามของเรานี่เป็นเหมือนจะเป็นการทาธรรมทานด้วยถามแล้วเพื่อนๆที่เขาไม่รู้เรื่องเขาจะได้รู้เรื่องก็มีปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจะทายัายางไง ต่อไปถ้าเขาปฏิบัติแล้วเขาเจอปัญหาอย่างนี้เขาจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ถ้าอยากจะถามว่าเชิญเข้ามาได้จ้ะเกิาพนันกงานค่ะพระอาจารย์เพื่อนฝากถามนะคะ เพื่อนของเก้งค่ะเขาเป็นมีโรคประจำตัวเป็นหินปูนในหัวค่ ะ, คะแล้วเวลานั่งสมาธิค่ะเขาจะมีปัญหาว่าเขามีอาการมึนหัวแล้วก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งเก้าอี้พอนั่งเก้าอี้ก็ยังมีอาการมึนหัวอยู่ค่ะก็ะเลยเปลี่ยนเป็นเดินก็เลยจะกราบออขอเรียนพระอาจารย์แนะนําว่าจะทํายังไงให้นั่งได้แบบสงบค่ ะ, คะพระอาจารย์ปัญหาคือสติมีกําลังน้อยต้องพยายามเจริญสติก่อนมานั่งด้วย มันเกี่ยวกับาอาการโรคของเขาไหมคะเอท<า>ี่เกี่ยวกับเรื่องเป็นโรคของเขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นส่วนน้อยถ้ามีสติดีๆมันก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้าสติไม่ดีอะไรมามาเป็นเรื่องหน่อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปพยายามเจริญสติก่อนที่จะมานั่งให้มากๆลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนถ้เวลานั่งพอมีสติดีก็ อะไรก็จะไม่มารบกวนใจได้แล้วเมื่อกี้ก็ตอนนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ตอนที่หลับตาค่ะรู้สึกมันเหมือนมีเส้นๆ น, นิดนึงอะค่ะพระอาจารย์ท่าน า, า ก, ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไป <c oughs> นั่งเวลานั่งสมาธิมันจะมีอะไรเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆ อ, อ, อย่าไปสนใจมันจะมาทําลายสมาธิของเราให้เราอยู่กับกรรมฐานถ้าอยู่กับพุทโธกพทโท็พุทโธพุทโธไปไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องอะไรทั้งวัน ถ้าดูลวมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจ๋ยวเรื่องต่างๆมันก็หายไปองะนะข อ, ขอบพระคุณค่ะเ้าั่งว่ตอนนี้นั่งดีขึ้นไหมคือตอนแรกค่ะจากสิบห้านาทีก็เป็นยี่สิบนาทีค่ะพระอาจารย์ก็บางช่วงอย่างรอบที่แล้วได้นั่งเต็มสามสิบนาทีค่ ะ, ะี่ะยังฝึกสติให้บ่อยๆค่ะนะสะตินี่สำคัญมากต้องสร้างขึ้นมาก่อนที่เราจะมาเน่า ถ้ามาสร้างต่อที่เรานั่งมันจะมีกำลังไม่มากพอได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคาถามจากทางเฟซบุกค่ะทำไมการยอมรับความจริงจึงถึงยากทำอย่างไรจะยอมรับความจริงได้ง่ายคะเพราะกิเลสความหลงความหลงคิดว่าความจริงนี่เป็นมันเป็นศัตรตูกับเราเพราะกิเลสต้องการให้เรา อยู่ความไม่เป็นจริงความเพอ้อเจอ้อความเพอ้อฝันต่างๆกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกดกิเลสด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติ mm hmm. ถ้ามีสติมีสมาธิกิเลสมันจะทํางานได้ยากขึ้นมันก็จะมาไม่การมาขัดขวางให้เราไ้มองความจริงก็ก็จะยากขึ้นเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงและยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น งันการที่เราจะไปทางปัญญาเนี่ยเราจึงต้องทำสมาธิก่อนทำสมาธิเพื่อกดหรือตัดกำลังของกิเลสที่จะมาคอยปฏิเสธความจริงพอกิเลสมันอ่อนกำลังลงเราก็จะสามารถรับความจริงได้มากขึ้นได้มากขึ้นไปตามลำดับคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เพื่อนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนมีวิธีไหนจะแนะนำเขาได้บ้างครับ อ, อ๋ออยู่ที่ถ้าเข า, าต้องมาถามเราก่อนถ้าก็ไม่ถามเราก็อย่าไปบอกเขาเลยคำถามจากทางเฟซบุกค่ะก่อนฝึกสติคิดว่าตัวเองเป็นคนดีฝึกสติยิ่งเห็นว่าเป็นคนขี้โกรธเห็นแต่ความโกรธทำถูกไหมคะก็จะเห็นสิ่งต่างๆในตัวเรามากขึ้น ถ้าเราไม่จเจริญสติไม่นั่งสมาธิเราจะไปมองคนอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่เราจะไม่เห็นความดีชั่วของเราเพราะเราไม่ได้มองเข้ามาในใจของเราเองพอเราจเจริญสติเราดึงใจกลับเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นโอในตัวเรานี่มีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงมีทั้งขี้เกียจมีทั้งขี้ฉาหรือยามมีอะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดมองไม่เห็น คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่ค่อยมองเห็นความบกพร่องของตนเองเพราะจะหันไปมองคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไปคอยวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นแต่ไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์ตัวของตนเองเลยเลยไม่รู้ดีชื่อของตนนั้น เ, เป็นอย่างไรคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะ <c oughs> ขณะนั่งลมขณะนั่งลมหายไปสภาพมืดไปหมดไม่สว่างก็กำหนดรู้ไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ก็อยู่กับกรรมฐานที่เรากาหนด อ, อันไหนถ้าเราดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปมันจะสว่างแล้วมือไม่สำคัญขอให้มันสงบให้มันนิ่งก็แล้วกันคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะ<ม>เวลานั่งสมาธิพระอาจารย์สอนให้รู้ที่ปลายจมูกอย่าไปตามลมเข้าออกแต่ลูกทำไม่ได้มันชอบไปตามลมเข้าพุท ออกโทรพยายามแล้วแต่รู้ที่ปลายจมูกไม่เป็นรู้ควรแก้อย่างไรดีคะขยยาไปดูลมเสียพูดโธอย่างเดียวก็แล้วกันอยู่กับพูดโธพุดโธไปอย่างเดียวคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะวัดมุทิตาท่านขึ้นสาราหอฉันไหมคะลงลงหอฉันเ่อวันอาทิตย์ที่สองนี้คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ จิตของพระอาหารหันต์ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลมีแต่กริยาจิตแต่เคยได้อ่านมาอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกไปโปรดคนนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่ากุศลนจิตหรือคะแล้วกริยาจิตเป็นลักษณะอย่างไรคะไม่ต้องไปกังวลกับพระอาหารหันต์กังวลกับตัวเราก็อ่อนแล้วกันเพราะเรามีแต่กุศลนจิตอย่าไม่มีอกุศลนจิตก็แล้วกัน คถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ ะ, ะบางคืนที่นอนไม่หลับฟุ้งซ่านควรจัดการยังไงให้หลับดีๆคะก็จะเจริญสติพุดโธพุดโธพูดโธไปหรือดูลมหายใจไปเดี๋ยวก็หลับถ้าหยุดคิดมันก็จะหลับที่มันไม่หยุดคิดเพราะไม่มีสติปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆยิ่งคิดมันก็ยิ่งยิ่งไม่นอนยิ่งนอนไม่หลับ แต่ถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมสักพักเดียวเดี๋ยวก็หลับห้านาทีสิบนาทีก็หลับคำถามจากทางพระอยู่ทูพระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนั่งสมาธิมีเวทนานั่งเหมือนว่าร่างกายโดนไฟเผาแสบร้อนไปหมดดูรู้ไปเรื่อยๆโดนเผาไปเรื่อยพุทโธแล้วสงบแต่การแสบร้อนยังอยู่จนกระทั่งออกจากภาวนามันแค่ยอมรับมันไป ก็ดีอยู่กับมันได้ก็ดีเพราะต่อไปเราจะต้องอยู่กับมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเรางนี้มันไม่ได้ขยับตัวมันก็เจ็บไม่ขยับตัวก็เจ็บแต่ถ้ า, าอยู่กับความเจ็บได้เราก็จะไม่ทรมานเราก็จะเฉยๆใจเราจะเฉยๆเย็นๆสบายคําถามจากคําถามจากทางยู u ูบดรัตค่ะ เราต้องอยู่กับ้าตุรู้ถึงจะไม่ทุกข์ใช่ไหมคะอยู่กับความจริงอยู่กับความแก่อยู่ความเจ็บอยู่ความตายอย่าไปหนีมันอยู่กับมันไปมันมาหาเราเราก็รับต้อนรับมันให้ดียินดีต้อนรับเวลาเรายินดีต้อนรับใครเราจะมีความสุขใช่ไหมเวลาเราไม่ยินดีต้อนรับใครเราจะทุกข์ขึ้นมานี่ยังเวลามีเจอความจริงอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันไป ฝนตกก็ต้องยอมรับฝนตกแดด อ, อกก็ต้องยอมรับก็แดดออกทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็คุมบังคับไม่ได้แต่เราสามารถไม่ทุกข์กับมันได้ด้วยการยิ น, ย, นยอมยินดีที่จะรับมันกลับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายทุกในอริยสัจสี่ให้ฟังอย่างง่ายได้ไหมเจ้าคาะเออเวลาเรากินข้าวอิ่มนี่เราร่างกายเราสบายใช่ไหม แต่พอกครด่าขึ้นมาปั๊บใครทุกข์อ่ะร่างกายทุกข์หรือใจทุกข์ mm. ใจทุกข์เนี่ยโดนดา่าน้อเหตุของของความทุกข์ใจเกิดจากอะไรเกิดจากไม่อยากให้เขาดา่า mm. เกิดจากความอยากของเราอื mm. นี่แหละคืออริยสัจ ส, สี่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆอยากให้เขาไม่ด่าเราอยากให้เขาชมเราพอเขาด่าเราขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ร่างกายเราสบายกินข้าวอิ่ม ม, มีความสุขสุขกายแต่ใจไม่สบาย ความไม่สบายใจเรี่กว่าเป็นเป็ น, ปนทุกข์ในอริยสัจ ท, ที่เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรถึงแม้ร่างกายเราจะหิวข้าวใจเราก็ยังมีความใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้ใจเราไม่มีความอยากให้มันอิ่มปล่อยให้มันหิวไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากทางเ c e b o o k ค่ะ ผมนั่งสมาธิมักจะง่วงนอนน้ำตาไหลมอนหลับผลก็เลยนอนหลับเลยพอตื่นแล้วมานั่งใหม่แต่ก็ง่วงหลับเหมือนเดิมพอนอนหลับไปอีกตื่นมานั่งใหม่ก็ยังง่วงอยู่ถามว่ า, าทำไมมันหลับได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่นั่งสมาธิเลยครับ ส, สติมันน้อยต้องฝึกสติให้มากๆทั้งวันนี้มันพยันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย มันจะมีสติมันจะตื่นตัวมากขึ้นมากขึ้นและเวลานั่งม่ก็จะไม่หลับคำถามจากทางเฟ e บุ o กค่ะการโอนบัตรใจเข้าบัญชีพระที่เราคัรบศรัทธาเป็นประจำถือเป็นการทาบุญที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นวิธี ท, ทาบุญอย่างหนึ่งเป็นการให้ทานให้ข้าวของเงินทองเรียกวัตถุทานจะให้ใครก็ได้ให้พระก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ ให้คนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้แล้วแต่เราอยากจะให้ใครเป็นบุญทั้งนั้นคําถามจากคุณมาพันเซลค่ะเวลานั่งสมาธิไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีนิมิตเลยแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วล่ะเราก็นั่งเราต้องการความนิ่งความสงบความว่างแต่ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานแล้ว เ, เดี๋ยวสิ่งต่างๆที่ปรากฏก็จะหายไป กาาีี่งงงสสสบบบจจ็็ะวเยยนมความสุขำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะบริจาคเงินไปให้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับบริจาคแต่หากเงินที่บริจาคไปไม่ถูกนําไปใช้ที่เป็นประโยชน์เงินที่เราบริจาคไปได้บุญไหมคะบุญที่เราให้ไปเราได้แต่ประโยชน์อาจจะไม่เกิด คือบุญก็คือความสุขใจตอนที่เราให้มันเกิดแล้วแต่เงินที่เราไปใช้บางทีเขายังไม่มีโอกาสไปใช้มันก็ยังไม่เกิดประโยชน์ก็าอาจจะต้องรอให้มีเหตุการณ์ก่อนเช่นน้อยให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยเอาวันนี้ไปซื้อข้าวของต่างๆไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอประโยชน์ถึงจะเกิดต้องเข้าใจคําว่าบุญกับประโยชน์นี่ต่างกันบุญเกี่ยวกับผู้ให้ประโยชน์เกี่ยวกับผู้รับ คุณซินดี้จากทาง Facebook ค่ะเคยฟังท่านอาจารย์พูดว่ารักษาศีลแปดแล้วปฏิบัติธรรมลูกได้ถือปฏิบัติศีลแปดช่วงเข้าพรรษาแล้วรู้สึกเบากว่าศีลห้าค่ะและรู้สึกสติดีขึ้นค่ะถูกต้องยายกำจัดอุปสรรคต่างๆให้มันน้อยลงไปคือการมาฉันทะความอยากกินข้าวเย็นความอยากดูหนังฟังเพลงมันก็จะหายไปเพราะรู้ว่าเราทําไม่ได้แล้วเราถือศีลแปด เราก็จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้มากขึ้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็เท่า น, นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด